สมาธิคือการทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวถ้ามันสงบลงไปนิดหนึ่งแวบบเดียวอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิมีความสุขสงบมากอันที่สามคือ อัปนาสมาธิสมาธิเต็มที่หรือดีที่สุดเราจะเข้าถึงสมาธิได้อย่างไรเราก็ต้องมีบทบริกรรมคือพุโทโธเอาจิตของเราไปกำหนดดูพุโทโธมันจะไม่ ส่งไปทางนั้นทางนี้ถ้าเราทำจิตของเราให้อยู่กับพุโทโธจิตของเราก็จะสงบสงบจนแน่วแ น, แน่เต็มที่เรียกว่าอัปนาสมาธิ อปนาสมาธินั้นไม่สามารถกำหนดอะไรได้เลยเหลือแต่รู้อย่างเดียวตัวตนหายไปหมดมิติจิตเป็นนานด้วยจนกว่ามันจะคลายความเป็นสมาธิอั น, นั้นกลับคืนมาสู่สภาพคืออุปจารสมาธิ พอมาเป็นอุปจารสมาธิก็สามารถพิจารณากายเห็นชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงไม่หวั่นไหวสามารถแยกธาตุขันตัวตนอันนี้ออกไปจนเหลือแต่รู้อย่างเดียวเข้าเข้าออ ก, อ, อ, กอย่างนี้แหละจนชานาญ เวลาเราอยากทำกิจให้สงบเวลาไหนเราก็สามารถกำหนดกิจให้ได้ในเวลานั้นอันนี้กว่าชำนาญแล้วให้คอยพิจารณาไปเริ่มต้นผู้ที่จะปฏิบัติก็ต้องรู้จักคำว่าอารมณ์คืออารมณ์กรรมาฐาน พระพุทธเจ้าตราสไว้มีสี่สิบอย่างในประเทศไทยเรานี้มีไม่ครบหรอกเอาอันในอันหนึ่งเท่านั้นแหละหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่เทศหลวงพ่อวิริยังท่านเรานี้ฝึกกำหนดพุทโธยเป็นหลักในใจ ให้ใจเราอยู่กับพุทธโธไม่คิดฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นๆให้อยู่กับพุทธโธกินเราก็สงบใจเราก็สบายถ้าสงบได้นานจนจะเป็นฌานอยู่แล้วก็เรียกว่ามันเป็นทางที่ถูกแล้วนั่นให้ทำไปเรื่อยๆ อย่างเรากำหนดพุดโทโธไปนึกพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆถ้าสงบแล้วมันวางพุโทโธก็อย่าไปเอาพุโทโธมาอีกอย่าเอาพุโทโธขึ้นมาอีกถ้ามันวางแล้วเราก็รู้ว่าโอ้มันวางแล้วไม่มีมีแต่ความเป็นสมาธิอยู่พยายามทําอย่างนี้นะเดินออกเดินเข้าด้วยทำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆ ทำอยู่บ่อยๆความชำนาญก็ย่อมเกิดขึ้นใจเราก็จะเย็นสบายไม่มีว่าวิตกกังวลอะไรเลยมีใจแน่วแน่เป็นหนึ่งอยู่เรื่อยอันนี้เราาเราทำภาวนาเป็นหรือทำเป็นแล้วสำหรับผู้ที่ ยังทำไม่เป็นก็ให้ทำโดยการบริกรรมพุโทโธไว้เรื่อยๆจิตของคนมันไม่อยู่นันนอกมันฟุ้งซ่านไปนะั่นนี่สารพัดอย่างมันฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องนี้ยังไม่จบมันก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนั้นไปเรื่อยๆบางทีคิดเรื่องนี้ยังไม่จ บ, ก, บ, จบก็คิดเรื่องใหม่ไปอีกแล้ว มันเหมือนกับลิงอยู่เป็นสูกไม่ได้ต้องเกาตรงนั้นคันตรงนี้เรารักษาไว้อย่าให้สติของเราห่างจากคุดโถความสงบจะเกิดขึ้นอุบาอาจารย์ท่านก็ปฏิบัติ ม, มาท่านก็กำหนด พุโทโธนั่นแหละไว้เดินก็นึกพุโทโธยืนก็นึกพุโทโธนึกพุโทโธอยู่เรื่อยๆในอิรยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนจิดเราเป็นสมาธิอยู่ตลอดอันนี้เรียกว่าทำเป็นแล้ว ถ้าทำความสงบใจได้ขนาดนี้แล้วเราเข้าไปอีกให้ลึกให้มันวางหมดเลยมันก็วางหมดเหลือแต่รู้อย่างเดียวไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าเป็นมีสติรู้อยู่เท่านั้นเองรู้สึกว่าไม่มีตัวมีตนมีแข้งขาหรือตัวตนส่วนใดๆไม่ไม่มีมีแต่รู้อย่างเดียวเรียวกว่าเราทำเป็น ถ้าเราทําเป็นเราก็หัดต่อไปอีกโดยการพิจารณาอารมณ์กรรมาฐานให้หนักแน่นขึ้นไปอีกอย่าให้มันถอยหลังให้มันก้าวหน้าต่อไปให้ทําทุกวันทุกโอกาสยืนเดินนั่งนอนให้จิตเราอยู่กับพุทธโทธตลอด พอเราบังคับมันได้มันก็กลงเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่คิดนึกฟุงงซ่านไปในที่ไหนอันนี้แหละสำคัญอยู่ผู้ปฏิบัติต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้มากเรื่องบุตรบริกรรมนี่อย่างวัดเราก็ทำตามครูบาอาจารย์กำหนดบริกรรมพุทโธพุทธานุสติ อลิกรรมรมโมสังโฆอะไรก็ได้หมดกายยกคตาสติอะไรเงี้ยมันได้หมดเราไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเอาเพียงพุโทโธเดียวก็พอแล้วให้นึกพุโทโธพุโทโธนั่นแหละไว้ให้ดีถ้าใครง่วงนอนก็สังเกตดูเดีเรานึกพุโทโธได้ไหมมันหลับไปแล้ว คอยนึกพุโทโธพุทโธไว้ในใจตลอดเมื่อนึกพุโทโธพุทโธอยู่จิตของเราจะไปไหนมันก็ต้องสงบนิ่งเข้าไปแล้วเข้าถึงความเป็นสมาธิแล้วถ้ามันชาน้ชำนานดีแล้วทาต้องการอยากให้มันสงบเวลาไหนก็สงบได้ในเวลานั้นจิตนี้จะมีพลังมาก ลองพิจารณาตัวตนของเราว่าเป็นอนหนจังอย่ลูกกับน้ําเนี่ยหรือกายกับใจเนี่ยพิจารณาไปพิจารณาตัวตนของเราเนี่ส่วนไหนก็ได้ให้เห็นชัดลงไปว่าโอขาของเราแขนของเรามือของเราเอาพิจารณาลงไปมันสล้าไปหมดเลย ยึดเอาเป็นอะไรก็ไม่ได้ผู้โตผู้โตก็หายไปแล้วเหลือแต่จิตกับสติอยู่ที่ว่ามันเป็นอนิจจังคือเป็นของไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงอันนี้อยู่ที่ตัวของเรานีเองไม่เที่ยงแต่ก่อนเราเป็นเด็กเป็นเล็กเราก็พยายามพอโตขึ้นมาเรื่อยๆ โตมาจะเป็นผู้ใหญ่เลยจากนั้นไปก็เป็นผู้เท่าคนแก่แล้วในที่สุดก็ตายไปจากโลกนี้เกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นนี่แหละให้เห็นธาตุขันนันี้เนี่ทั้งกายทั้งใจเนี่ยให้เห็นเป็นอนิจจงคือความไม่เที่ยง ทุกขังความทนอยู่ไม่ได้อนัตตาความไม่มีตัวตนคำว่าไม่มีตัวตนคือเราบังคับให้มันเป็นไปตามใจเราไม่ได้มันไม่ไปตามใจเราเราอยากให้มันเป็นอย่างไรมันก็ไม่เป็นพินาเข้าไปมันไม่มีอะไรที่จะ ย, ยึดถือได้เลยมันก็วางความยึดความถือ อยู่ในใจของเราเนะั้นเห็นชัดตามเป็นจริงไม่ฟู้งซ่านไม่คิดเรื่องต่างๆให้คอยดูคอยดูอะไรคอยดูความสงบนั่นแหละพยายามทำให้เห็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตน ทำไมพี่ว่าไม่มีตัวตนเพราะว่าเราจะเอาแขนของเรานี่ไปพิจารณามันก็อยู่ไม่ได้ถ้าพิจารณาไปก็จะเห็นชัดลงไปว่าโอ้เรื่องนี้มันเป็นอน้ตตามันควบคุมไม่ได้ให้อยู่ในตัวในตัวนี้ไม่ได้ อย่าเก็บมันก็เก็บอย่าป่วยมันก็ป่วยอย่าตายมันก็ตายบังคับไม่ได้ก็เลยว่าเราเห็นตามความเป็นจริงรู้ชัดรู้ดีในทางคำสอนของพระผู้มีพภาคเจ้าทำสิ่งไหนที่มันมีสมาธิมันทาไปไม่ได้หรอกต้องกิดเป็นสมาธิมันถึงทำงานดำาการได้ อันนี้คนทั่วไปก็มีได้อันนี้ทํางานทำการอยู่กิจใจก็แน่แน่อยู่อันนี้ใช้ได้แต่ถ้าจะให้ยิ่ขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องบริกรรมให้มันติดอยู่ในใจตลอดพอกิจเรามีกําลังเต็มที่แล้วถอยออกมาสู่อุปจารสมาธิก็พิจารณากายเห็นชัดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอันนี้ได้เราไม่หลงมันอีกแล้ว เราเบื่อความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้เราเกิดมากี่ครั้งกี่หนเราก็ไม่รู้ไม่สามารถสืบค้นได้ตลอดว่าเราเกิดมาจากสิ่งนั้นสิ่งนี้รู้ไม่ได้ให้พิจารณาอย่างนี้จิตใจของเราก็จะเย็นสบายมีความสุขความสงบ มีความเด็ดเดี่ยวห้าวหาญมีพลังกิจสูงสามารถกำหนดดูกายดูตัวนี้เป็นของว่างเปล่าจากตัวตนนิสโตนิชิโวสุนโยอาบริจาหท่นตัดไว้นิสโตไม่ใช่สัตว์นิชิโวไม่ใช่ชีวิต ศุนโยว่างเปล่าจากความเป็นของมีตัวตนนี่ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้อยู่ใจเราจะดีขึ้นดีขึ้นมากเอาทีเดียวยืนอยู่ก็สามารถกำหนดสติได้ถ้าํำนี้ทำนานทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆก็จะเห็นชัดลงไปในตัวในตัวนอันนี้ เห็นชัดลงไปดังนั้นจึงให้ปฏิบัทิตามอย่างที่อธิบายมานี่แหละให้คอยเฝ้าดูอารมณ์กรรมาฐานอยู่ในใจเราเลือกเอาพุโทโธเอาพุโทโธมาเป็นบทบริกรรมเราก็ให้อยู่กับพุโทโธนั่นแหละเรื่อย จนกว่าจิตมันจะวางวางความยึดมั่นถือมัน่นถ้ามันวางความยึดมั่นถือมัน่นใจเราก็เข้าถึงธรรมะของพระเจ้าเข้าถึงธรรมถึงอัจถึงธรรมก็จะปล่อยวางได้หมดดุดพ้นจากกองทุกข์ได้เลย ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้เราพ้นทุกข์แล้วเราเป็นพระเยบุคคลแล้วจิตใจของเราจะเบิกบานเยี่ยมใสอันนี้พูดให้คนเก่าฟังแต่คนใหม่ก็ให้บริกรรมพุโทโธ ส่วนคนเก่าถ้ามันวางพุโทโธแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงพุโทโธอีกคอยจับความรู้สึกรันไว้มันจะวางภบอีกทีหนึ่งมันจะเข้าถึงความเป็นสมาธิที่แน่วแน่เต็มที่หรือเรียกว่าอัปปนาสมาธิมันจะวางความยึดมั่นถือมั่นได้มันถอยออกมาที่อุปจารสมาธิก่อนเมื่อพิจารณาตัวตนนี้ก็เห็นชัดเป็นอนิจจังทุกขังนาฏตา ได้ชัดเจนพินาความไม่เที่ยงก็เห็นความไม่เที่ยงตลอดพินาเป็นทุกข์ให้มันเต็มไปด้วยกองทุกข์ใจนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์แต่เมื่อใดเรามาฝึกปฏิบัติหัดใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเราทําได้ตลอดทําได้ทั่วอากาศอันนี้เวลาเข้าเข้าถึงความจริงแล้ว ควรจะภูมิใจได้ถ้าทำได้อย่างนี้มรรคผลก็เกิดขึ้นได้เมื่อใจเราสงบเต็มที่แล้วพอมันวางถอยออกมาเราพิจารณาเราก็เห็นธาตุทุกอันนี้ขันอันนี้ตัวตนอันนี้มันไม่กิรังยั่งยืนเห็นชัดลงไปเลยมันก็วางได้หมดทุกอย่าง ปล่อยวางได้หมดเลยวางลูกวางล้านวางอะไรต่ออะไรหลายเรื่องหลายอย่างที่เราเคยยึดเคยถือมามันก็วางวางหมดเลยไม่เหลืออะไรในใจของผู้นั้นใจบริสุทธิ์ขึ้นมาเขาก็เรียกว่ามรรคผลนิพพาน เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานเราก็พ้นภูมิไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอันนี้อีกเข้าถึงพนิพพานวางความยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างหมดสภาพที่จะอยู่ในวนัฏฏะนี้ตายแล้วก็เข้าพระนิพพาน พอเราทำให้เป็นให้มีให้เกิดแล้วต้องยังเป็นมนุษย์อยู่ตายแล้วก็เข้าระนิพพานไปเลยไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกให้หัดอยู่บ่อยๆทาอยู่บ่อยๆมันจึงจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นความปรารานะสูงสุดของมนุษย์ชาติ เอาเวียน่ายตายเกิดมานี่เราปฏิบัติมากี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้แต่พอเรามาฝึกมหาดมันก็ดีขึ้นเร็วทำใจให้เป็นหนึ่งได้ตลอดอย่างนี้มันก็มีความสุขใจใจวางความฟุ้งซ่านลำคาญออกไปแล้วนิวรณห้าหมดจากกิจจากใจของเราแล้วก็เรียกว่าเราพ้นทุก ถึงความสงบถึงความเยือกเย็นถึงความสบายกายสบายใจไม่วิตกกังวลในเรื่องใดๆทั้งสิ้นจิตของเรามีอำนาจเราบอกลูกบอกหลานเราก็บอกให้เขาทำบอกให้เขาปฏิบัติเขาก็ทำตามเพราะตัวอย่างคือเราเราเป็น ผู้ทำหรือเป็นผู้นำลูกหลานเห็นเราแล้วเขาก็อยากทำด้วยก็สอนได้ไม่เป็นไรสอนเลยสอนให้นึกพุโทโธพุโทโธเลยพุโทโธนี่คือความรู้รู้อะไรรู้ตัวนี่แหละรู้ธาตุรู้ขันนี่แหละรู้ความปล่อยวางนี่แหละ จะมีความสุขมากถ้าปล่อยวางได้ตลอดได้ละเอียดมันก็หมดกังวลเลยถึงความสุขเลย